ดูก่อนพิสษุน์ทั้งหลายนั่นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสอันจะเป็นไปได้ที่วิบากคือผลของกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตจะพึ่งเกิดขึ้นให้หน้าปรารถนาหน้าใครหน้าพอใจฐานะนั้นย่อมไม่มีก็แต่ว่าฐานะนั้นมีอยู่ ที่วิบากคือผลของกายทุจริตวจีทุจริตมนทุจริตจะพึ่งเกิดขึ้นให้ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจฐานะนั้นมีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสอันจะเป็นไปได้ที่วิบากคือผลของกายสุจริต วัชิสุจริตมโนสุจริตจะเพิ่งเกิดขึ้นไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจฐานะนั้นย่อมไม่มีก็แต่ว่าฐานะนั้นมีอยู่ที่วิบาก ค, คือผลของกายสุจริตวัชิสุจริตมโนสุจริตจะเพิ่งเกิดขึ้นให้น่าปรารถนาน่าใคร น่าพอใจฐานะนั้นมีอยู่